บันดาท่านพุทธศาธสนิกชนทั้งหลายใ <c oughs> นบรรดาท่านพระวิสุทธสมณีทั้งหลายเวลานี้ใกล้จะถึงเวลาจเจริญพระกรรมฐานและก่อนหน้าที่จะอธิบายวิธีการจเราาจริญพระกรรมฐานก็จะขอนำอาจารณะสิบห้ามาพูดกับัรดาท่านพุทธบริษัทธ์ก่อน ว่าจารณนี้แปลว่าความระพฤติไม่ว่าจะเป็นพิสุทธ์สัมเนินอุบาสกบาสิกาที่ประกาศตนว่ามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติเสมอกันเพราะว่าการจะอยู่ที่ใดก็ตามถ้ามีความระพฤตไม่เสมอกัน ก็ต้องถือว่าไม่ใช่พวกเดียวกันหรือว่าหากว่าจะเป็นพวกเดียวกันก็เป็นพวกที่แตกแยกออกไปเป็นสองฝ่ายหรือว่าฝ่ายธรรมวาทีกับฝ่ายอาธรรมวาทีคาว่าธรรมวาทีก็หมายถึงว่าพูดโดยธรรมแล้พวพูดตามธรรมอาธรรมวาทีก็เรียกว่ากล่าวผิดธรรม ตอนนี้สำหรับจจรณาสิบห้าที่จะพูดในวันนี้ก็่าขอย้ำถึงถึงเรื่องข้อศีลตามปกติเพราะว่าเรื่องข้อศีลยังไม่จบที่เราเคยฟังกันมาแล้วในการก่อนเรื่องข้อศีลแล้วว่ากันเดียวเดียวก็จบแต่สำหรับในการนี้จะเห็นจะยอมจบเร็วๆไม่ได้ ว่าศีรสัมาทาเที่เป็นแ ป, แปลว่าพูดถึงพร้อมบริศินเมื่อคืนนี้แล้วมาก็ได้พูดถึงอาการของการเข้าถึงความเป็นผู้พร้อมบริศินวันนี้จะพูดถึงอันิสงของศีลโดเยเฉพาะอย่างยิ่งจะพูดศีลแ็กคือศีลห้า ว่าอณิสงส์เขาสินเล็กมีสิลใหญ่ก็มีสินกลางก็ต้องมีเหมือนกันสิลใหญ่ก็ได้แก่ศิน 7, สองรอยี่สิบเจ็ดสิกลางก็ได้แค่สินสิบที่จะพูดถึงเรื่องอณิสงส์ของสินก็เพราะว่าเวลานี้ได้ยินข่าวอยู่เสมอว่ามีคนชอบพูดกันว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ช่วยอะไรเกิโลกเลย เป็นอาวโลกที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในไรประโยชน์นี่เป็นวาจาที่เคยได้ยินมาจากหลายกระแสถ้าระยกล่าวกันตามความเป็นจริงแล้วพระพุทธศาสนาเต็มใจช่วยโลกอูตลอดเวลาและก็ช่วยอยู่ในการไม่หยุดยั้ง แต่ถ้าว่าบุคคลผู้รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาหายากดันั้นในเรื่องการที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกความจริงช่วยมากอาการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ช่วยโลกมีทั้งแปดหมื่นสี่พันธรรมขันวันนี้จะมาพูดเพียงธรรมขันเดียวคือศีละขัน เฉพาะสิ่งข้อเดีววยวชาวโลกถ้าใช้ปัญญาพิจารณาตามก็จะพึงทราบว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกอยู่ตลอดเวลาเว้นไม่แต่ชาวโลกเท่านั้นที่ไม่ยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาที่มากล่าวกรรมดาพวกท่านนั่นหลายก็เพื่อเป็นความรู้ที่ท่านนั่นหลายจะได้นำไป ชีช้แจงกบับบรรดาบุคคลหลายที่ยังไม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาได้ย่พอพาะอย่างยิ่งคำว่าศีลที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าช่วยโลกวิธีการช่วยโลกต่ช่วยให้ชาวโลกมีความสุขช่วยให้ชาวโลกมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ไม่ไทรัพย์สิสน ช่วยช่วยโลชาวโลกให้มีความปลาศจากภัยอันตรายใหญ่มีโรคภัยไข้เจ็บมีประสาทฟั่นเฟือนเป็นต้นความจริงเรื่องเขาโรคภัยไข้เจ็บนี้ถ้าจะ ก, กล่าวกันไปก็ย่อมมีแก่ทั้งชาวโลกและชาวธรรมแต่ถ้ว่าทางด้านพระพุทธศาสนาก็ช่วยไวมากบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บได้มาก ตัวอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้าประการที่องค์สมเด็จพระวิชิตามานบรมศาสันดาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงสอนที่กล่าวว่าเป็นปกติของศีลอีิสงแห่งการประพฤตปฏิบัติศีลไม่ใช่ว่าเราจะไปนั่งหวังกันเอาชาติหน้าเสมอไป ความจริงผลเรื่องคำสอนข อ, ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์มุ่งหวังผลปัจจุบันเป็นสำคัญไม่ใช่มุ่งหวังผลชาตินาเพื่อต้องการให้มีผลในปัจจุบันในขณะที่ปฏิบัติดัง <c oughs> นั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังโปรดพิจารณาตามนี้ เราจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระจินาสีที่สอนธรรมะแก่ บ, บรรดาท่านพุทธบริษัทช่วยโลกหรือไม่ช่วยคำว่าสีนแปลว่าปกตินี่ก็หมายความว่าปกติของคนและสัตว์พอใจอยู่ในสินห้าประการ คำว่าพอใจก็หมายความว่าต้องการให้บุคคลอื่นมีสินสําสำหรับตนแต่ว่าไปนที่น่าเสียดายที่ตนเองมักจะไม่ต้องการมีสียงสํสำหรับคนอื่นข้อนี้เราจะเห็นได้ชัดเพราะในข้อที่หนึ่งองค์สมเด็จพระสุทรศวัสตร ต้งแนะนำว่าท่านทั้งหลายจองอย่าพากันทําลายชีวิตซึ่งกะไรกันอย่าประทุธร้ายซึ่งกะไรกันไม่ข้อนี้ขอทุกท่านจงมองในมุมกลับการประทุธร้ายร่างกายเขาการทําลายชีวิตร่างกายเขา อันนี้ถ้าเราเป็นผู้กระทาบางทีเราจะเป็นที่ชอบใจของเราเราจะพอใจแต่ถ้าว่าถ้าเขาจะมาทำร้ายเราบ้างเราจะพอใจไหมหรือว่าเขาจะข่าเราบ้างเราจะพอใจไหมนี่ทุกคนก็พยจะตอบกันได้ว่าไม่มีใครพอใจ ร่างกายเป็นที่รักของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาประทุษบร้ายเราชีวิตเป็นที่รักของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาทำลายชีวิตของเราก็เป็นอันวา่าเรากับเขามีความรู้สึกชิ่นเดียวกันนีต่างคนต่างยอมรับนัืธสิทธิในชีวิตร่างกายซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันแล้วตามความแนะนำขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าถ้าเราจะเว้นข้อนี้ได้จิตใจของเราก็ต้องประกอบด้วยคุณธรรมสองอย่างคือนหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสาร ทุกคนต่างคนต่างมีความรักทุกคนต่างทุกมีความสงสารซึ่งกันและกันรักแล้วก็ช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้มีความสุขเมื่อเห็นว่าบุคคลอื่นใดมีทุกเราก็พยายามเรื่องทุกของเขาตามความสามารถที่เราจะช่วยได้ อย่างนี้ท่านหลายเห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วดีอย่างโลกจะมีความสุขไหมถ้าว่าชาวโลกทุกคนยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาในข้อ น, นี้ <c oughs> ต่างคนต่างมีความรักกันเสียต่างคนต่างมีความสงสารกันต่างคนต่างไม่ทำร้ายร่างกายซึ่งกันกัน ต่างคนต่างไม่ประหัตประหารชีวิตซึ่งกันและกันท่านเห็นว่าโลกมีความสุขหรือว่าโลกมีความทุกข์ถ้าได้ยักกล่าวกันโดยธรรมก็เห็นว่าชาวโลกทั้งหมดจะมีความสุขเพราะต่างคนต่างเป็นมิตรต่างคนต่างรักต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะหาความทุกข์มาจากไหน นี่เป็นข้อที่หนึ่งที่องค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงแนะนําให้ชาวโลกมีความสุขไต่ว่าชาวโลกนั่นเองไม่ไม่ค่อยจะยอมรับนับถือคําแนะนำข อ, ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าช่วยแล้วแต่คนไม่ยอมรับความช่วยเหลือไม่มีนี่สาหรับในข้อที่สอง องสาเร็จพระจินสีกล่าวว่าจงยอมรับนับถือสิทธิซึ่งกันและกันให้ทรัพย์สิน <c oughs> จงอย่ายื้อแย่งทรัพย์สินจงอย่าคดโกงทรัพย์สินซึ่งกันและกั น, กนถ้าเป็นเช่นนั้นทุกคนต่างคนต่างยอมรับนับถือซึ่งกันและกันในสิทธิไม่ละเมิดไม่ลักไม่ขโมยไม่ยือ้อไม่แย่งไม่คดไม่โกงซึ่งกันและกั น, กน ในโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์คำแนะนำและการช่วยเหลือในข้อดีสองนี้พระพุทธเจ้าหมอพิจารณาเห็นแล้วว่าทรัพย์สินก็แต่ละบุคคล <c oughs> ที่หามาได้โดยยากและก็ไม่ต้องการให้ใครมายืย่ยแยงมาลักมาขโมยมาคดกโกง พระพุทธเจ้าจะได้ทรงแนะนำตามความประสงค์ของกันและกันแต่แท้ว่าคนที่จะยอมรับนับถือยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธเจ้ามีน้อยโลกจึงเป็นทุกข์ถ้าทุกคนต่างคนต่างยอมรับนับถือในสิทธิทรัพย์สินซึ่งกันและกันแล้วโลกจะเอาความทุกข์มาจากไหน เป็นอนว่าอันต ร, รายในทรัพย์สินก็จะไม่มีเมื่อทุกคนหาทรัพยนะ์สินมันได้และรับทรัพย์สินไม่มีอันต ร, รายจากการลักจาน ก, การขมโมยสิ่งกันและวกันทุกคนจะมีความสุขหรือว่าทุกคนจะมีความทุกข์นี่ขอท่านพระโยคาวาจรท่านหลายช่วยกันพิจรารณาเมื่อฟังจําได้แล้วก็ไปแนะนําชาวโลก ที่เขามองไม่เห็นว่าพระพุทธพระพุทธศาสนาจะช่วยโลกในตอนไหนนี่ข้อดีสามองค์สมเด็จพระจอมไตรบริหารศาสดาทรงแนะนำว่าจงอยู่ยื้อย่างอย่ายื้อย่างความรักสิ่งกันและกันอย่าละเมิดสิทธิสิ่งกันและกันในความรักแล้วก็มานั่งนึกดูว่าคนที่เรารัก มีใครคนไหนบ้างที่ต้องการแยกคนที่เรารักถูกคนอื่นเข้ามายื้อแย่งหรือละเมิดสิทธิข้อนี้หาไม่ได้จริงๆบรรดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงท่าทุกคนในโลกยอมรับความช่วยเหลือพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อนี้โลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ เอาใจของท่านเองเป็นเครื่องวัดก็ดีสี่องค์สมเด็จสมมหาโมีทรงแนะนําว่าท่านทั้งหลายจงอย่าพูดวาจาที่ไม่เป็นความจริงอย่าผู้ใช้วาจาหยาบคายเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจของบุคคลอื่นอย่าใช้วาจายุโยงส่งเสริมบุคคลอื่นให้แตกร้ากัน และยาชาวะายาใช้วาจาที่หาประโยชน์ไม่ได้รวมความ่าวาจาทั้งสี่ประการนี้เราเองมีความปรารถนาอะไรเอาตัวเราเองปเป็นเครื่องวัดถ้าใครก็พูดในถ้อยคำที่ไม่จริงในขณะที่เราต้องการความจริงมีคนมาพูดคำหยาบคายเป็นเครื่องเสียดแทงใจ มีคนยุแยงได้แทงแสให้แตกราวสิ่งกันแล้วกันแล้วก็มีคนใช้วาจาเหลวไหลไรประโยชน์มาพูดกับเราเราจะพอใจวาจาเช่นนี้ไหมอันนี้ถ้าคนอื่นไม่ตอบก็ต้องขอตอบเองก็ได้ว่าไม่มีใครต้องการคนที่ต้องการวาจาเช่นนี้มีอยู่บ้างก็เห็เป็นคนบ้ากับคนเมาเท่านั้น แต่คนนี้เขามีสติดีจริงๆไม่มีใครเขาต้องการกันนะครับว่าทุกคนต่างคนไม่ใช่วาจาทั้งสี่ราการนี้โลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ในข้อที่ห้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงยาดมสุราเรมีไร เพราะว่ามันเป็นของเหมือนเมาเป็นฐานะที่ตัง้งแห่งความประมาททำให้เป็นคนไรส้สติสมัมปชัญญะไม่ทรงอารมณ์อยู่ในความดีนี่ตามต่มานดาคนที่ดื่มสุรามีไรถ้ามีความเมามันก็มีอาการไม่แตกต่างอะไรกับคนบา้าเวลาที่ไม่เมา จะทำอะไรก็มีความละอายกกะใจรู้สึกสำนึกตัวว่าตัวอยู่ในฐานะอะไรถ้าดื่มสุราไม่ไรเมาเข้าไปแล้วจริงๆกลับกลายเป็นคนคนหนึ่งในที่ที่ไม่ควรจะร้องรำทำเพลงก็ร้องรำทำเพลงได้ในที่ที่ไม่ควรจะนอนก็นอนได้ในที่ไม่ควรจะนั่งก็นั่งได้ วาจาที่ไม่น่าจะพูดไม่ควรจะพูดก็พูดได้สภาพของคนเมาก็ไม่ต่างอะไรกับสภาพของคนบ้าไร้สติสัมปชัญญะอาการเช่นนี้ยามปกติเรามีความต้องการหรือเปล่าเราเคยคิดบ้างไหมว่าต้องการให้ชาวโลกเขามาเรียกเราว่าคนบ้า นี่ถ้าคนที่มีสารมันสำเน็กจริงๆเขาก็ไม่ต้องการกันนอกจากนั้นคนที่ดื่มสุรามีไรมีความเมาตามปกติก็มักจะเป็นคนมีโรคมากที่เขาบอกว่าเป็นโรคตับแข็งบ้างร่างกายทุดทรมบ้างประสาทเสียมบ้างแล้วก็เสียศักดิ์ศรีความดีต้องถูกสลายตัวไป ถ้าคนทุกคนต่างพากันไม่ดื่มน้ำเมาทรัพย์สินทงหลายที่เสียไปจากการดื่มน้ำเมาเราจะเอาเงินจำนวนนั้นมาช่วยครอบครัวได้เป็นอย่างดีวันหนึ่งดื่มน้ำเมาราคาหนึ่งบาทปีหนึ่งเราต้องเสียค่าน้ำเมาไปถึงปีละสามรอยหกสิบห้าบาทแต่วันหนึ่งเราเสียไปสิบบาทปีหนึ่ ง, งเร า, า, <c oughs> ววนนเาต้องเสียไปสามพันหกร้อยห้าสิบบาท เวลานั้นว่าเราสูญเสียไ ป, ปเปล่าๆเงินจํานวนนี้เราหามันได้โดยยากนี่ถ้าหากว่าทุกคนยอมรับความช่วยเหลือขององค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าในคร น, นี้โลกจะเป็นสุขและเป็นทุกข์เรามองกันเห็นง่ายว่าโลกก็จะเต็ ม, มไปด้ความสุขนี่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือของพระพุทธเจ้าที่ช่วยกับชาวโลก แต่ก็ยังมีอีกมากถึงแปดหมืนสี่พันบัธรรมขันแปดหมื่นสี่พันข้อการช่วยเหลือพระพุทธเจ้านี้ละเอียดอ่อนมากถ้าคนทุกคนปฏิบัติตามทั้งโลกโลกจะเต็มไปด้วยความสุขโลกจะว่าโลกจะเต็มไปด้วยความสุขแล้วโลกก็จะเต็มไปด้วยความร่ำรวยอุ่นหนาวฟ้าข้างไปด้วยทรัพย์สิน ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะการฆ่ากันการทำร้ายชีวิตสิ่งกันแล้กันเพราะอาศัยมีจิตโหดร้ายไรยส้สติสัมปชัญญะข้อนี้เป็นเหตุให้สูญเสียทรัพย์สินต้องมีสารมีตุลาการมีตำรวจมีทหารต้องเสียทรัพย์สินเสียก็ประมาณจากการซื้อสรรพาวุธเอามารปราบปรามสิ่งกันแล้กันเงินจํานวนนี้มีจํานวนไม่น้อย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะเห็นได้ง่า ย, ายถ้าเราต่างคนต่างไม่ลักไม่ขโมยซึ่งกันและกันโลกนี้ทั้งโลกไม่มีขโมย <c oughs> เราไม่ต้องหาว่าทั้งโลกเอาเฉพาะประเทศไทยก็พอใ <c oughs> นประเทศไทยทั้งประเทศหาขโมยไม่ได้ บ้านทุกบ้านก็ต้องไม่ต้องมีประตูไม่ต้องมีหน้าต่างไม่ต้องมีกุญแจไม่มีที่ไม่ต้องมีที่เก็บทรัพย์มห้มิชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุญแจหนึ่งลูกสมมติว่ากุญแจหนึ่งดอกดอกนั้นราคานหนึ่งบาทเวลานี้ประเทศไทยมีคนสี่สิบสามล้านคน และในจํานวนคน43ล้านคนนี้บังเอิญถ้าเราจะมีบ้านสัก20ล้านหลังคาเรือนทําบ้าน20 ล, AH ล้านหลังคาเรือนนี้ต้องจ่ายกุญแจเพื่อป้องกันขโมยเพื่อป้องกันของหายบ้านดันดอกเราก็ต้องใช้กุญแจ20ล้านดอกและกุญแจ20ล้านดอกนี้ถ้าดอกราคาละหนึ่งบาท เราก็ต้องสูญเสียงเงินไปเปล่ายี่สิบยี่สิบล้านบาทแต่เวลานี้กุญแจเร็วๆที่ไหนราคาลูกดอกต้นหนงบาทมันก็ไม่มีมันมีมากไปกว่านั้นแต่การรักกัรขโมยกันไม่มีก็ไม่ต้องมีตำรวจเพราะประมาณที่เราตั้งจ้างคนเป็นตำรวจสำหรับปราบผู้ร้ายในการรบกวนเส้นกันละกันเพราะประมาณปีละเท่าไหร่ นับเป็นพันล้านแล้วก็สำหรับตู้ก็ดีเซฟกุดีกุญแจก็ดีห้องหับก็ดีที่เรามีไว้เพื่อป้องกันขโมยไม่ขโมยลักใครขโมยลักของได้โดยยากบ้านหลังหนึ่งหนึ่งคิดเฉลแล้วก็ต้องเสียทรัพย์สินในส่วนนี้ไปไม่น้อยกว่าสองร้อยบาท นี่ถ้บ้านของเรามีสักยี่สิบล้านหลังลองคูณในสองร้อยชิลลา่ามันเท่าไหรนี่เอาเฉพาะคิดไปโดยเฉลีย่ยบางบ้านก็ไม่ถึงบางบ้านก็มากกว่าบางบ้านห้องเก็บสําหรับป้องกันของหายนี้คิดราคาเป็นแสนนีถ้าหากว่าถ้าคนทุกคนยอมรับนับถือและยอม รับเอาความช่วยเหลือขององค์สมเด็จระสมาสมุทเจ้าไปปฏิบัติความมั่งคั่ ง, งสมบูรณ์จะมีมากเพียงใดคือหนึ่งเราไม่ต้องเสียเงินจ้างคนมาเป็นตำรวจเที่งต้องจ่ายเงินปีหนึ่งเป็นพันล้านสองเราไม่ต้องซื้อทรัพย์เสียไม่ต้องเสียทรัพย์สินไปสร้างสรรภาวุธชื่อพาหน้าให้แก่ตำรวจ ในปีปีหนึ่งเราก็ต้องเสียเงินไปเป็นพันล้านเหมือนกันราการที่สามเราไม่ต้องมีพิาพากษาเราไม่ต้องมีอายการไม่ต้องมีทนายไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่โรงศาลไม่ต้องมีอำเภอไม่ต้องมีจังหวัดเพราะว่าคนดีทั้งหมดก็ไม่ต้องมีอะไรทั้งหมดเพราะต่างคนต่างปกครองกันได้เองรวมกว่าบา ง, งบประมาณประจำปีของประเทศไทย ปีหนึ่งหลายหมื่นล้านบาทนี่เป็นก็เพีงการจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายออกไปเพราะโลกทั้งโล ก, ท, โลกทุกคนต่างคนต่อต่างมีธรรมะเป็นเครื่องปกครองประคองกันคนต่างคนยอมรับนับถือสิทธิสิ่งกันลกันคนทุกคนเป็นคนดีโลกนี้จะเต็มไปด้วยความมั่งคั่งสมบูรณ์ โลกนี้อย่าเต็ม ไ, ได้วยความสุขโลกนี้อย่าเต็ม ไ, ได้วยความแจ่มใสเพราะว่าคนทุกคนในโลกนี้ต่างคนต่างเป็นมิตรกันต่างคนต่างเป็นสหายกันต่างคนต่างเป็นที่รักซึ่งกันและกันต่างคนต่างหวังการเกือ้อกูลซึ่งกันและกันหาความเป็นศัตรูกันไม่ได้เป็นอนว่าบ้านช่องของชาวโลกทั้งหลายก็ไม่ต้องสร้างแข็งแรงนะักไม่ต้องลงทุนมาก ไม่ต้องเสียทรัพยายกรมากค่าสรรพาวุธของประชากรทั้งหลายในโลกคน14ล้านคนอย่างน้อ ย, ออยที่สุดอขอโทษคน43ล้านคนอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องมีสรรพาวุธไว้ ป, ป้องกันผู้ร้ายไม่น้อยกว่า4 40ล้านชิ้นแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่นิระบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมณเนทั้งหลาย การีิอง์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสัญาสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำให้ท่านหลายเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์คือถึงพร้อมบริศีลแล่ว่าถ้าคนทั้งโลกเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ถึงพร้อมบริสิณเหมือนกันคนทุกคนพวกนั้นเขาจะมีความสุขหรือว่าเขาจะมีความทุกข์ ทั่งโลกทั้งโลกนี้ถ้าปฏิบัติเหมือนกันโลกจะมีความสุขและว่าโลกจะมีความทุกข์การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยวัตถุแต่จิตใจยังคิดวัตถุสลายซึ่งกันและกันนั่นไม่ได้หมายว่าโลกที่ยัมีความสุขมันเป็นโลกที่เต็ไมไปด้วยความทุกข์แต่คนทุกคนต่างยอมรับนับถือสัลธรรมคือสินห้ารายการเหมือนกันทั้งหมด ตามทีโอนสมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนำไว้โลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขจะหาความทุกข์อะไรไม่ได้และวสาหรับการแนะนำนจริยาพระเจรณจะจจข้อที่หนึ่งวันนี้ความจริงน่าจะพูดข้อที่สองแต่ว่าไปได้ยินข่าวว่าเ้าบอกว่าพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกเลย ยังี้ก็เอามาแนะนำแกบรรดาทานายหลายถ้าจำได้ก็ก็ช่วยไปแนะนำคนอื่นเขาด้วยว่าพระพุทธศาสนาช่วยแล้วแต่คนที่รับความช่วยเหลือจากพุทธศาสนาไม่มีเอาเราสำหรับวันนี้เรื่องจรณาสิบห้าข้อที่หนึ่งก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้